บทที่48พระบัวขาบการกระทำของพระบัวขาบนั้นท่านประคูรู้และเห็นมาโดยตลอดจริงอยู่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 เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นอย่างไรเพียงกำหนดเห็นหนอก็ทราบความเป็นไปของบุคคลที่ท่านต้องการทราบดังนั้นเมื่อพระบัวขาบเดินผ่านหลังกุติท่านจึงให้เด็กชายขาวไปบอกว่าสมภารต้องการพบหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับพระหนุ่มถามหลังจากทำความเคารพพระอุปชาแล้วก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่อยากจะเรียกมาตักเตือนว่าการล้อเลียนผู้อื่นนั้นมีใช่สิ่งดีเพราะเท่ากับเธอกำลังทำกรรมผมไปล้อเลียนใครหรือครับอันนี้เธอคงทราบดีอย่ามาย้อนถามฉันเมื่อกี้ใครล่ละที่ทำเป็นคนปากเบี้ยวเดินกระเพกกระเพกล้อเลียนพระชนวนใครมาฟ้องหลวงพ่อหรือครับท่านคิดว่าจะต้องมีคนมาฟ้องไม่ต้องรอให้ใครมาฟ้องหรอกฉันสังเกตเธอมานานแล้ว จึงได้เรียกมาเตือนว่าให้เลิกเสียไม่เช่นนั้นกรรมจะตามสนองสนองอยังไงครับถามเพราะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงทั้งที่พระมหาบุญเพิ่งสอนไปหยกๆยกเธอจะไปได้แฟนปากเบี้ยวนะซีท่านพระครูพูดเพราะเห็นอย่ากลัวเลยครับหลวงพ่อยังไงยังไงผมก็จะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะแฟนผมสวยเป็นรองนางงามบ้านมีเชียวนะครับ พระหนุ่มถือโอกาสคุยโวโอโ อ, โอดเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันที่จริงฉันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนดื้ออย่าสอนแต่ที่เตือนเพราะจะได้ไม่มาต่อว่าฉันภายหลังงั้นก็หมดธุระแล้วกลับไปได้กระบูขาบจึงกราบสมพานสามครั้งแล้วเดินลงมาครั้นพบเด็กชายขาวก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้มีใครมาหาหลวงพ่อหรือเปล่าท่านอยากรู้เพื่อจะตามไปต่อว่าคนช่างฟ้อง ไม่มีครับหลวงพ่อท่านทำงานอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นว่ามีใครขึ้นไปแล้วท่านลงไปไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลงไปไหนเลยครับเพนท่านก็ไม่ได้ลงมาฉานันเอถ้าเช่นนั้นท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรื่องอะไรหรือครับเด็กชายใคร่รู้พระบัวขาบได้ทีจึงถือโอกาสระบายโทสะลงที่ลูกศิษย์ของสมภารไม่ใช่เรื่องของเอง เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเที่ยวไปได้สอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ประเดี๋ยวเขาจะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กชายตอบเสียงห้วนด้วยรู้สึกโกรธงั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเองไม่รู้จักสั่งสอนพระบัวขาบได้โอกาสว่าท่านพระครูเป็นการแก้แค้นนี่ท่านอย่ามาว่าหลวงพ่อผมนะว่าผมผมยอมได้แต่ว่าหลวงพ่อผู้ซึ่งมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ผมผมยอมไม่ได้ เด็กชายพูดอย่างเอาเรื่องแล้วเอ็งจะทำอะไรข้าหรือว่าจะไปฟ้องศาลเชิญเลยต่อให้ขี่ม้าสามศอกไปบอกอําเภอข้าก็ไม่กลัวคนเป็นพระท้าเยงเยงผมไม่ต้องไปถึงอําเภอหรอกแต่ผมจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละพูดพลางทําทีว่าจะขึ้นไปชั้นบนพระบัวขาบยังเดินกลับกุฏิโดยไม่อยากถูกสมภารตาหนิติเตียนเป็นคำรบสองของวันนี้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 ซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยตัวขยุกขยิกเหมือนคนเขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นปถมทว่าการใช้ภาษาและตัวสะกดการ์ถูกต้องตามหลักวยากรไทยทุกประการนายวิโก้เขียนมาจากประเทศเดนมาร์กกราบเรียนว่าจะพาเพื่อนร่วม ง, งานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15วันจากนั้นจะพากันไปทัศนศึกษายัางจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน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 พาไปนมัสการพระพุทธมหามาณีรัตนปฏติมากรแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยจากนั้นจึงกอยพามาวัดป่ามะม่วงนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านเรื่องการต้อนรับขับสู้อาคันตุ ก, กะผู้มาเยือนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้เรียกว่าปฏิสันฐานสองซึ่งได้แก่อามิสปฏิสันฐาน คือการต้อนรับด้วยสิ่งของและธรรมปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยธรรมท่านนึกถึงคำประพันธ์ที่กวีผู้หนึ่งแต่งไว้เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลินเพลิดกายากว่าจะกลับภิกษุวัย40สเศษตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องโทรจิตไปบอกนายวิกโก้เสียก่อนว่าท่านจะส่งนายหล่อไปรับที่สนามบินแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากก็มีหนุ่มนอร์เวย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ท่านสามารถใช้จิตคุยกับเขาได้นายวิกโก้มาได้ของดีไปจากเมืองไทยส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นยังมือไม่ถึงเพราะพวกเขาไม่รู้ทั้งไม่ใฝ่ใจที่จะรู้ว่าเมืองไทยนั้นมีของดีอะไร ถึงวันที่29ตุลาคมทิศศึกใหม่มารับท่านพระทูเวลาตีสตามนัดการได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสอีกครั้งทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมบวชครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรมากนักเพราะเป็นการบวชตามประเพณีหากในครั้งนี้เขาได้อะไรมากขึ้นอย่างน้อยก็ได้สัพปุริสัทธรรมครบทั้งเจ็ข้อ นิสัยล่าช้ามาไม่ตรงตามนัดหมายพันมรายหายไปว่าที่จริงแล้วเขาซาบซึ้งกับการถือเพศบรัรพชิตเป็นอย่างมากหากไม่ห่วงแม่ประยงและลูกๆ ก, ก็คงไม่ยอมศึกหาลาเพศเป็นแน่ในวิโกกโ็ดีใจนักที่ท่านพระครูมารับเขาและเพื่อนๆทั้งดีใจและเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีงานมากและคงต้องทิ้งงานมาตอนคุยกันท่านบอกเพียงว่า จะให้นายหล่อขับรถมารับจะได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่โยมสาลี่กับคิมน้อยไม่ได้มาด้วยหรือท่านถามถึงสิทธิ์สไปร์และลูกชายของหล่อนไม่ได้มาครับลินลี่เขาไม่อยากมากับคนหมู่มากแล้วก็มีแต่พวกผู้ชายเขาฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับหนุ่มใหญ่ตอบจากนั้นจึงแนะนำเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกับตนให้รู้จักท่านพระครู นมจากต่างแดนทั้งเจคนนั่งคุกเขา่าแล้วกราบสามครั้งแบบเดียวกับที่นายวิโก้ทำเมื่อตะกี้กราบเสร็จจึงลุกขึ้นยืนสมภารวัดป่ามะม่วงทักทายปราัยกับบุคคลทั้ง7โดยมีนายวิโก้เป็นล่ามครั้นเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงนำพวกเขาไปขึ้นรถเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของท้องสนามหลวง ท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนนายวิกโก้กับเพื่อนๆ น, นั่งข้างหลังออกจากดอนเมืองได้พักใหญ่ๆก็มาถึงถนนราชนาเนินกลางอันเป็นทางตรงไปสู่ท้องสนามหลวงหนุ่มต่างแดนนายหนึ่งเกิดปวดปัสสาวะจึงบอกนายวิกโก้เพื่อนๆ อ, อีกหกคนครั้นได้ยินเลยเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องสุขาบ้างคนเป็นหัวหน้าจึงเคาะกระจกเพื่อบอกคนขับ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 ปรากฏว่านายหลอก็รู้จักทั้งยังเคยขับรถพาท่านไปเที่ยววัดพระนอนจกักรสีในฐานะเป็นอาคารตุกะของท่านพระครูเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนายหล่อจึงออกรถถึงสี่แยกคอกบัวก็เลี้ยวขวาเข้าบางลาพูสักครู่ก็มาจอดที่หน้ากุฏิหลังหนึ่งท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่พบท่านเจ้าคุณจึงพูดกับนายวิโก้ว่า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 กระผมจะขออนุญาตให้พวกโยมเขาใช้ห้องสุขาขอรับเห็นใบหน้าบอกบุญไม่รับของเจ้าคุณท่านพระครูรู้สึกใจอ่อแฟขึ้นมาทันทีที่นี่มีแต่ส้วมพระไม่มีส้วมโยมให้เข้าไม่ได้พูดเสียงสะบัดสะบัดแล้วจึงหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านในท่านั่งขวายห้างไม่สนใจใยดีต่ออาคันถุกะทั้งแปดคนกับหนึ่งรูปงั้นกระผมก็ขอลา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 คราวนี้รับรองว่าได้เข้าแน่เดินตามมาก็แล้วกันแล้วท่านจึงเดินนำหน้าไปยังร้านกาแฟหน้าวัดเถ้าแก่กำลังชงกาแฟขายให้ลูกค้าครั้นเห็นท่านก็ร้องทักทายสวบากรีท่านไปไหนมาท่านพระครูรู้สึกใจมาเป็นกองจึงบอกเถ้าแก่ว่าอัตมาไปรับลูกศิษย์ซึ่งมาจากต่างประเทศจะมาขอเถ่าแก่เข้าห้องน้าหน่อย เข้าไม้ไล่เหล็กอีกำลังซักผ้าเท่าแก่ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยสมพานวัดป่ามะม่วงมีอันต้องเสียหน้าอีกเป็นคำรบสองของวันนี้ท่านจึงกำหนดคิดหนอคิดหนอเพื่อจะได้เกิดปัญญาแก้ปัญหาให้ทุกสิทธิ์ได้บัดดลปัญญาก็บอกท่านว่าสั่งกาแฟมากินสิท่านจึงบอกพวกเขาว่าเข้าไปในร้านทานกาแฟกันก่อน นายวิโก้ซึ่งบัดนี้ไม่มีแก่ใจจะพูดจาสัพพยอกจึงบอก เ, อเพื่อนๆให้เข้าไปนั่งเพื่อนคนหนึ่งกระซิบว่าเขาปวดจนจะไหลยอยู่แล้วเมื่อทุกคนเข้ามานั่งในหล่อจึงลุกออกไปสั่งกาแฟร้อนมาเลี้ยงกันเท่าแก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หันไปบอกลูกค้าใหม่ว่าร อ, อ, นะอเลี้ยวนะเลีย้ยวเลียวไล่งั้นก็ขอเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันท่านพระครูได้โอกาสไล่เลยไล่เลย แกหันไปตะโกนบอกลูกน้องที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่ในห้องน้ำว่าพวกเือออกมากองลูกค้าเขาจะใช้ห้องน้ำเมื่อเด็กสาวสองคนออกมาบรรดาผู้มีทุกข์ก็ทยอยกันเข้าไปปลดทุกข์เป็นอันว่าท่านพระครูสามารถแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้สำเร็จออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามในหล่อจึงพาพระอุปชาและอคัญทุกะไปฉันและรับประทานอาหารเช้าที่ท่าพระจันทร์ สมภารวัดป่ามะม่วงคิดจะไปกราบเรี่ยมท่านเจ้าคุณโชดกที่คณะห้าวัดมหาธาตุแต่เมื่อเห็นหนอรายงานว่าท่านไปขอนแก่นจึงพาลูกศิษย์และคณะกลับวัดเจ้าคุณรูปนั้นแย่มากนะครับหลวงพ่อที่หลังมาวัดเราอีกผมจะไม่ต้อนรับจะไม่รับใช้ใดๆทั้งสิ้นในหล่อชวนคุยเมื่อรถแล่นผ่านตอนเมืองมาแล้วเห็นพระอุปชาไม่ตอบ จึงพูดต่อว่าแบบนี้เข้าตำราดีแต่กินถูกไม่ใช้เห็นแก่ตัวคบไม่ได้ท่านพระกูนั่งฟังและออกจะเห็นด้วยกับลูกศิษย์เพราะเจ้าคุณรูปนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหากท่านไม่มาประสบด้วยตนเองก็ยังคงไม่รู้แทบไม่น่าเชื่อว่าในสังคมของสงฆ์ซึ่งถือเป็นสังคมของผู้มีคุณธรรมสูงสุดจะมีคนประเภทนี้ปะปนอยู่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 คือมีคำสอนที่เรียกว่าคารวตาหกได้แก่หนึ่งสัตวุคารวตาความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ธรรมะคารวตาความเคารพในพระธรรม 3. สังฆาคารวตาความเคารพในพระสงฆ์ 4. สศิษขาคารวตาความเคารพในการศึกษา 5. อัปปมาทะคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท 6. ปฏิสันฐานคารวตาความเคารพในปฏิสันฐานทำหอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุเพราะฉะนั้นถ้าข้าไม่ต้อนรับเจ้าคุณรูปนั้นเท่ากับข้าไม่มีปฏิสันฐานคารวตาท่านพระครูอธิบายถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าคุณปฏิบัติต่ตอหลวงพ่อและพวกผม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 ผมก็อยากจะช่วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนๆในวิกโก้ยิ้มเยาะหลวงพ่อผมอยากจะแก้ตัวแทนแต่เสียดายที่ผมส่งภาษาไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยเขาแก้ตัวอย่ามาแก้ตัวเลยเพราะเองไม่อยากจะช่วยค่าต่างหากละ่ะเองดีใจที่เห็นค่าหน้าแตกสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มกระเซาเย้าแย่โถโถโ ถ, โถใครจะไปทาอย่างนั้นกับหลวงพี่ที่เคารพ ในหลอว่าหลวงพ่อกลายเป็นหลวงพี่เพราะกรพาไปโยมโถกแก่ๆคราวพ่อคราวแม่อย่าไปเรียกแกโถเฉยๆต้องเรียกป้าโถหรือน้าโถท่านพระครูตั้งใจยัว่วครับป้าโถก็ป้าโถลูกสิทธิ์คล้อยตามดีว่านอนสอนง่ายอย่างนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วง ผมเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิพระครูเจริญก็ต้องเจริญอยู่แล้วคริหัสพูดจ้อยจ้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าทำให้ข้าเห็นสัจธรรมอย่างหนึง่งบรรพชิตเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดหลวงพ่อเห็นอะไรหรือครับเห็นทุกนะซิทำให้ข้านึกถึงพระพุทธว จ, จนะที่ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุข เมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสสาตราสรุปแล้วเหตุของทุกทั้งหลายย่อมมาจากการเกิดและทุกที่พวกเราเผชิญกันเมื่อตอนเช้าก็คือปัสสาวะเมื่อก่อนข้าไม่ครยเข้าใจสักเท่าไรว่าปัสสาวะมันทุกได้อย่างไร แต่ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจไปถึงอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะช่วยปลดทุกข์ให้กับญาติโยมอันเนื่องมาจากอุจจาระปัสสาวะหลวงพ่อจะทํายังไงหรือครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจสร้างห้องสุขาไงล่ะกลับไปนี่ข้าจะสร้างห้องสุขาเพิ่มอีกยีสิบห้องจากที่มีอยู่แล้วสิบห้อง ญาติโยมที่มาทำบุญจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอห้องสุขากันแม้หลวงพ่อผมเห็นแต่ก้าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์กันแต่นี่หลวงพ่อจะสร้างส่วมแล้วจะได้บุญเท่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไหมครับในหลอรู้สึกกังขาเข้าว่าจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเองลองคิดดูสิคนที่เขาต้องการใช้ห้องสุขานีะ่ะเพราะเขากำลังมีทุกข์เท่ากับเราช่วยปลดทุกข์ให้เขา ว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ไม่มีปัจจัยส่วนตัวพอที่จะมาสร้างห้องสุขา20ห้องได้เห็นจะต้องไหว้วานเองให้เอาแหวนเพชรไปขายลองถามแม่ประยงดูก่อนเพื่อเขาอยากจะซื้อไว้เองบอกว่าข้าขอราคาเท่ากับห้องสุขา20ห้องเท่านั้นท่านหาทางคืนแหวนให้แม่ประยงซึ่งเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ถึงอย่างไรแหวนวงนั้นก็คงราคามากกว่าเงินที่จะใช้จ่ายในการสร้างห้องสุขาครับแล้วผมจะจัดการตามนี้หลวงพ่อสบายใจได้เมื่อถึงวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจัดการให้นายวิกโก้และคณะพักที่กุฏิกรรมฐานโดยให้แยกกันพักคนละหลังจะได้สะดวกแก่การปฏิบัตินายวิกโก้ได้พักกุฏิที่นางสยิ่งสร้างถวาย ก็รู้เรื่องราวของเจ้าของกุฏิเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับมายังกุฏิและนำแหวนเพชรมาให้กับนายหลอ่อหนุ่มใหญ่ไวไล้เรียกกับสมภารรับไปแล้วจึงลากลับบ้านเรือนตน รุ่งขึ้นอาคารตุกะรายแรกที่มาเยือนท่านสมพานก็คือนายหล่อกับแม่ประยงทันทีที่พบพระอุปชาสามีแม่ประยงก็รายงานว่าเขาไม่ยอมซื้อครับหลวงพ่อแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ขายด้วยเขาไปติดต่อช่างสร้างห้องสุขาแล้วช่างเขาคิดราคาห้องรับพ0 0บาท20บห้องเขาคิด 2,5 ลดไป5 0 0 0บาทแม่ประยงเขาจะออกเองแต่มีข้อแม้ว่า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 ท่านจะไม่ยอมแพ้แม่ประยงเหมือนที่นายหล่อยอมเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แม่ประยงก็ไม่รู้ที่จะทําประการใดหากเป็นนายหล่อก็คงบังคับขู่เข็นได้เพราะเขายอมเธอทุกอย่างแต่นี่เป็นหลวงพี่เจริญที่เธอเคยลหลงไหลได้ปลื้มสมัยที่ท่านเป็นนักดนตรีฝีมือเอกทว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตขืนฟื้นฝอยหาตะเข็บความลับก็จะแตกเสี้ยเปล่า จึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันก็จะรับซื้อไว้ในราคาห0 0 0 0บาทแต่วันนี้ดิฉันเตรียมมาถวายแค่ 25,000 าพันพรุ่งนี้ดิฉันจะให้ทิดหลอนำที่เหลือมาถวายยังไม่ต้องรีบหรอกอาตมายังไม่มีธุระต้องใช้เงินฝากไว้ก่อนก็แล้วกันจะใช้เมื่อไรอาตมาจะบอกไปทางโยมหลองั้นก็ตามใจท่านแล้วกันพี่หลอเรากลับกันเถอะ พูดเสียงประชดนิดๆคนกลัวเมียผู้ซึ่งไม่รู้ตื้นลึกน้าบางจึงพาภรรยากลับบ้านสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกโล่งใจที่แก้ปัญหาไปได้อีกเปล่าหนึ่งและที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดป่ามะม่วงจะมีห้องสุขาเพิ่มขึ้นอีก20ห้อง